เธอเพียงสําคัญว่าความเข้าใจอันนี้ทํายังไงมันมีอยู่ในชีวิตะนะไม่ใช่มีอยู่ในอักษรไม่ใช่มีอยู่ในกระดางแต่มันมีอยู่ในชีวิตที่เป็นจริงไงนะซึ่งเราคิดว่าการไขครววการพิจารณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นทางออกเพื่อความพ้นทุกข์ของเราทีนี้อีกสูตรหนึ่งที่ไม่บอกว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อกากาศของเราสอนแบบให้ละไปเลยนะวิราคาเพราะพวกวิราคาพวกปะหานะนี่กลุ่มเดียวกัน อ่ะนะปหานะเนี่ยนะพวกปหานะพ่องก็สอนอะไรรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปเสียรูปที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้ห้าสิบห้าดังกล่าวเมื่อกี้เนี่ยน ะ, จะเจริญณตุมหาตุ ก, กะสูตรได้เลยได้เลยทั้งหมดเพราะว่าผู้ที่มีปัญญาน้อยเนี่ยนะอย่าเบื่อหน่ายในการท่องในการสาธยายในการพิจารณา เพราะว่าดาบอะไรนะมีดมันเป็นประเภทมีดมีดเชื่อดไก่นี่นะมันก็ต้องไปค่อยๆไล่ตัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะชำนาญจริงๆเพราะว่าปัญญาปัญญาอันนี้ท่านอุปมาเหมือนกับอะไรศาตราปัญญาเหมือนศาตราที่ไปตัดความผูกพันตัดความเยื่อใยตัดความติดความคล้องเพราะรู้ตามความเป็นจริงนนะว่า ความติดข้องนำมาซึ่งวัตทะทุกเนี่ยนะแค่ทุก์ แ, กแค่ชาตินี้นะไม่ไม่เท่าไรหรอกแต่ทุกในวัตตะนี่สิอันตรายทีนี้ผู้ที่ปัญญาไม่มากนักเนี่ยนะจำแนกขันห้าให้เป็นหกสิบได้ไหมได้จำแนกขันห้าเป็นปีรูปสาตรูปหกสิบเช่นว่าจักโกรูปจักโครโสตะ ฐานะชิวหากายะเนี่ยนะแล้วก็ยังเป็นอะไรเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลภะธรรมะบางส่วนเนี่ยนะธรรมะบางส่วนเพราะว่าพวกรูปบางอย่างเช่นชีวิตตรูปเป็นต้นก็เป็นเป็นธรรมารมณ์เนี่ยนะ พอวิญญาณก็เป็นอะไรจากขูวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณและมโนวิญญาณพวกภาษาเนี่ก็เป็นสังขารใช่ไหม ส, สังขารนี่ก็คือจากขูสัมผสัสเนี่ยนะก็เป็นภาษาหกมีชื่ออย่างที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ไหยชื่อตามทวานกับชื่อตามอารมณ์วิญญาณภาษะ เวทนาเขามีชื่อตามทวารเช่นถ้าวิญญาณพระก็บวกกับจักรโบวกกับโสตะกิถ้าวิญญาณอาศัยจักรโเกิดเรียกวาจักรโวิญญาณวิญญาณอาศัยตดโสตะเกิดเรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณอาศัยจมูกเกิดเรียกว่านะวิญญาณวิญญาณอาศัยลิ้นเกิดเรียกว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายเกิดเรียกว่ากายยะวิญญาณวิญญาณอาศัยมโนเกิดเรียกว่า มโนวิญญาณเราวิญญาณเรียกตามทวารภาษาก็เหมือนการเรียกตามทวารภาษาที่เกิดจากจักระเรียกว่าจักระสัมผัสภาษาที่เกิดโดยอาศัยโสตะก็เป็นเรียกว่าโสตสัมผัสภาษาที่อาศัยจมูกเรียกคานะสัมผัสภาษาที่อาศัยลิ้นเรียกชิวหาสัมผัสภาษาที่อาศัยกายเรียกกายะสัมผัสภาษาที่อาศัยมโนเรียกมโนสัมผัส เวทนาก็เหมือนกันเวทนานั้นท่านถือว่าต่อจากพัสสะนิยมก็ถามว่าเอ้เนี่ยอย่างเช่นจากโคสัมพัสสะเห็นไหมสัมพัสสะแล้วก็ชาแล้วเวทนาแลเขาก็แยกกันไหมจากโคสัมผัสสะชาเวทนาเวทนาชาตัวนี้ก็เหมือนกับชาต์ตนะเช่นจิตชาชากับชาเดียวกันแต่ว่าเกิด เวทนาที um, like new, so time, ah ่เกิดจากจักระสัมผัสหรือผัสสะที่มาทางทวารจักระเรียกว่าจักระสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากผัสสะทางตาก็ได้มันก็เรียกชื่อตามทวารไปนี่นะโสตะสัมผัสชาเวทนาคานะสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายะสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนา ก็เป็นเวทนาหกเราก็คือเวทนาตรงนี้นะถ้าเป็นสัญญาก็เป็นสัญญาหกสัญญาหกก็คือรูปประสัญญาสัทธสัญญาคันธาสัญญาระสาสัญญาโพธภาสัญญาและธรรมะสัญญาก็เป็นสัญญาหกสัญญาก็เรียกตามอารมณ์เหมือนกันถ้าจำอารมณ์หกได้ก็จะจำสัญญาหกได้เนี่ยนะั้นสัญญาเนี่ยเหมือนกับประทับไว้ที่อารมณ์ เหมือนประทับที่อารมณ์นั้นเนี่ยรูปสัญญาณนะที่ลืมตาเห็นทั้งหมดเนี่ยทีนี้รูปสัญญาจะไปบอกว่าบวกกับกุศลสัญญาหรืออกุศลสัญญาอีกห น, หนึ่งเพราะอกุศลกุศลสัญญาคืออะไรเน่ขมา้าเนี่ยนะอัพยาปาทา้อวิหิงสาถ้าเป็นอกุศลก็เป็นกามสัญญาธยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาก็จะตามมา ของเวทนาก็เมื่อเช้าเวทนาสิบแปดใชห่หรือเวทนาเทา่าไรสามสิบหกก็จะทํา ม, มาสัญญาก็จะเป็นสัญญาเท่าไรก็ไล่ไปสัญญาหกคูณหกจะให้เยอะก็เยอะเหมือนกันก็สามสิบหกเหมือนกันถันสัญญาเนี่ยเช่นง่ายๆว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าสีขาวเอาอะไรเป็นเรื่องบอกเออนี่สีขาวนะนี่สีเขียวนี่สีเหลืองนี่สีแดงนี่ผ้าลาย อะไรเป็นเครื่องรู้อาศัยสัญญาอันสัญญาจะแปลมาใช้สัพท์ไหนที่มันตรงตัวว่าจำสีอะนะอะไรไม้รู้ว่าสีขาวไม้รู้ว่าสีเขียวหรือจําว่าสีขาวสีเขียวก็ของมาไม่อยากจะวิจารณ์ในแง่พยัญชนะเอาเข้าใจสรุปว่ามันแยกเป็นว่าสีขาวสีเขียวสีเหลืองมันถ้าใครที่ตาบอดสีก็สัญญาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกิดมาสัญญาบอดอะไรนะตาบอดสีก็ทําให้ไม่ค่อยรู้สัญญาในสีขาวสีเขียวเท่าไหร่ คือสัญญาทั่วๆไปบางทีถ้าเป็นการมสัญญาอเอาไหมต่อมาอีกการมสัญญานี่ต้องอาศัยนิมิตอนุพยัญชนะนิมิตก็คือนิมิตอนุพยัญชนะพูดภาษาไทยก็คือรายละเอียดอาศัยรายละเอียดเช่นว่าทําไมเราจึงชอบสีสีขาวอ่ะสมมติทำไมจึงชอบสีขาวแล้วก็มาแยกว่าเออเพราะขาวต้องขาวแค่ไหน เขาที่ติดในอะไรเขามีอะไรเป็นสมุธฐานเนี่ยนะมันก็เริ่มหารายละเอียดแนละ้ก็แล้วแต่ว่ารายละเอียดถ้าหารายละเอียดมากเท่าไหร่ตันกามสัญญาก็มากเท่านั้นเพราะกลุ่มกามสัญญาคือพวกแท่งรายละเอียดแท่งติดตามรายละเอียดของพวกอารมณ์นั้นเพื่อจะให้เกิดอกุศลเนี่ยนะจะเรียกว่านิมิตก็ได้เพราะนิมิตโดยสัมแต่ว่าเครื่องหมายนะเพราะตั ว, ต, วตัวอารมณ์เนี่ยนะตัวอารมณ์จะชื่อว่านิมิตก็ได้ ก็ผู้ที่สังสมเนกขมัสสัญญามามากเช่นสังสมอสุภาพามากเนี่ยนะสังสมอสุภาพสัญญามามากเช่นสาธยายอาการสามสิบสองมาเป็นอัธยาศัยทั้นเห็นสมมติว่าเห็นเห็นเล็บก็ปฏิโลมได้หรืออนุโลมก็ได้ น, นะขึ้นเกสาปับมัทธลงคังได้เลยขึ้นหรือเห็นแก เห็นเลือดตัก๊กปาสาธยายทวนไปทวนมาได้หมดเลยเพราะความชํานาญเขาชนานาญขนาดนั้นชํานาญแล้วเขาจึงสาธยายเลยนะอย่างแต่จากปัญจกะผมจนถึงอะไรฟันห้าวันจนชํานาญแล้วก็ฟันไปจนถึงผมอีกห้าวันชํานาญอย่างมากเลยใช่ไหมแล้วก็ว่ารอบอย่างนี้อีกห้าวันแล้วก็เพิ่มมาอีกอะไรหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไต จนถึงตายอย่างนี้ห้าวันแล้วก็ทวนกลับมาหาหนังอีกห้าวันแล้วก็ไล่ย้อนกลับมาทั้งหมดอีกห้าวันเพรา ะ, ะ น, นสังสมมามากขนาดนี้เนี่ยเขาจับตรงไหนก็สาวไปหาอะไรได้หมดเกลี้ยงเลยเพราะความชำนาญในสังสมเนฆะ ม, มัสสัญญาคือปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกาสโดยประชดถามว่าจำเป็นแค่ไหนจะต้องมาตรึกมาสาธยาอย่างนี้ บางคนนะพอตันหาเกิดปับ๊บมันคิดอะไรไม่ออกเลยงามอย่างเดียวอา่านพระไตรปิฎกก็ตาก็จ้องหนังสือเหมือนอ่านแต่ไม่ใช่หรือต่อไปสัญญาต่อด้วยอะไรเจตนาเจตนาก็มีชื่อตามตามอารมณ์นะรูปประสันเจตนาสัท ธ, ธาสันเจตนาคันธารสะโพธะพาและธรรมะสันเจตนาก็เรียกมีชื่อตามอารมณ์ เนี่ยตัวเจตนาเนี่ยถ้าจะให้เต็มอะไรเป็นกายสันเจตนาวจีสันเจตนาแล้วก็มโนสันเจตนาเพราะเจตนาเนี่ยเป็นเจตนาอาหารด้วยใช่ไหมเป็นอาหารกายสันเจตนาอาหารวจีสันเจตนาอาหารมโนสันเจตนาอาหารมันก็เพราะอารมณ์ทุกอารมณ์ไม่อารมณ์หกเนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเป็นที่ตั้งแห่งกายสันเจตนาวจีสันเจตนาและ มโนสันเจตนาสันเจตนาหกเ อ, อ่อขอไปเจตนาสามคูณอารมณ์หกก็เป็นเจตนาสิบแปดนี้พอเจตนาก็ต่อด้วยอะไรตันหาตันหาก็แบ่งเป็นตันหาเท่าไหร่ตันหะสามคูณอารมณ์หกก็เป็นตันหาสิบแปดภายในกับภายนอกสามสิบหกแล้วคูณกลางอีกสามร้อยแปดเยอะมากเลยนะสะรุปว่ามันชอบกันแล้วกัน พอตันหาที่มันตันหามันเกิดก็เพราะวิตกเกิดวิตกเกิดเพราะอะไรเกิดไงสัญญาเกิดทันวิตกวิตกก็เป็นอะไรวิตกหกนะถ้าจะแบ่งเป็นกุศลวิตตกสามอกุศลวิตตกสามเพราะวิตกตามแก่สัญญาอกุศลสัญญาเท่าไหร่อกุศลวิตกก็เท่านั้นกุศลสัญญาเกิดเท่าไหร่ญญกุศลวิตตกก็จะเท่านั้น มันวิตก็จะเท่าๆกับสัญญาเพราะความต่างแห่งวิตกเกิดจากความต่างแห่งสัญญาพอวิตกที่เหลือก็ตามด้วยวิจารวิจารเนี่ยนะบอกว่าชื่อเต็มๆเรียกว่ามโนปวิจารสิบแปดมโนวิจารสิบแปดมันคิดยังไงมันตรึกถึงร่องตรึกถึงตรองถึงรูปแล้วเกิดเวทนาเช่นนึกถึงรูปเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัตโทมณัตและ อเบกขาเคยว่า อ, อยู่ๆเฉยๆเนี่ยนั่งนิ่งๆนึกไปนึกมาเออแล้วก็ดีใจนึกไปนึกมาอาัปธรรมเป็นหน้าเบือ้องเองว่านึกไปนึกมาก็เฉยๆถ้าเก็บภาพของเราน<ม>ี่ยเวลานั่งอยู่เฉยๆนะนั่งอยู่คนเดียวนะถ้าเก็บสีหน้าแล้วจะรู้ว่าอีกพักหนึ่งเหมือนยิ้มแย้มนะอีกพักหนึ่งก็เอาละเครียดละอีกพักหนึ่งก็เฉยๆนั้นสีหน้ามันเปลี่ยนไปตลอดเลยนะตามแต่ความคิดมันจะพาไปคิดบางเรื่องก็ดีใจขำอีกพักหนึ่งก็เสียใจอีกละ เพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยแสดงออกเท่านั้นแหละเขาเลยไม่ให้ยาบางอย่างถ้าแสดงออกมากๆจนอันนี้เขาจะเริ่มแจกยาให้แล้วยังเราว่าใครที่เรียกว่าระเบิดออกมามากๆเขาเรียกว่าคนป่วยทางความคิดเนี่ยนะแต่ถ้าไม่ค่อยระเบิดเขาเรียกเออนี่ปกติอยู่ไม่รู้ว่ามันพอๆกั น, นของมาว่านะเพียงแต่ว่าใครคุมได้มากกว่ากันเท่านั้นแหละวิจารก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนามันพวกนี้ทั้งหมดก็นับเป็น เพราะมีอยู่หกสิบชื่อด้วยกันหนึ่งหนึ่งทวารหกอารมณ์หกเวทนาหกภาษาหกสัญญาหกเจตนาหกตัณหาหกวิตกหกวิจารหกและวิญญาหกเนี่ยนะก็คือเป็นเอาขันห้ามาจำแนกนั่นแหละเนี่ยนะพอกระจายขันห้าออกไปก็จะได้หกสิบมาบางคนว่าโอ้หกสิบทำไมต้องเยอะจังจริงก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอก แต่ถ้าคิดอีกในหนึ่งนะอีกวิธีคิดวิธีหนึ่งจะเห็นว่าหกเหล่านี้เนี่ยเกิดตามทวารเกิดตามทวารยังไงเช่นรูปนะรูปเอารูปประคันมาก่อนนะอาศัยจากโพกับรูปก็เกิดวิญญาณเนี่ยนะทำสามอย่างประชมกันก็เป็นภาษาภาษาก็ทําให้เกิดเวทนา เ, เวทนาเนี่ย บวกกับสัญญาโดยธรรมชาติเนี่ยนะถ้ามีสัญญาก็มีเจตนาที่จริงถ้าอีกวิธีเขียนหนึ่งภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีสัญญาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเจตนาหรือสังขารนะเวทนาเนี่ยปกติเป็นปัจจัยแก่อะไรตันหา สัญญาก็ไม่ได้หวั่นละเขาเบาซกเ ม, มื่อไหร่ใช่ก็เป็นปัจจัยกับตันหาเพราะบวกกับตันหาอยู่ดีสังขารก็เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างตันหาเกิดเท่าไหร่วิตกก็จะเกิดเท่านั้นมันตึกตรองตามอนุภาพของตันหาเป็นต้นแต่เมื่อใดที่ที่ตันหามันพล่องลงก็เป็นอะไรโทสะแทนวิตกก็เป็นพยาปาธาวิตกแทนจริงพวกนี้มันละมันไหล ในธรรมะที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้ามองแบบคนที่ติดในรูปมากๆนะเขาให้พิจารณาสองตัวนี้เป็นหลักงั้นเห็นสองเห็นจากครูปั๊บไล่มาเลยว่าอะไรจะตามมานะวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาตันหาวิโตวิจารณ์อะไรจะเกิดตามมาบ้างหลังจากที่มีตาเพราะฉะนั้นมองเห็นตาปั๊บนึกได้เลยว่านา ม, มาทำอะไรเกิดต่อมาเห็นสีรูปารมอย่างเดียวก็อ่านเป็นนา ม, มาทำทั้งหมด อ่านให้เป็นนามธรรมอ่านให้เป็นรูปธรรมทั้งหมดเลย